มิลินธปัญหาของกรมศิลปากรมิลินธปัญหาจะตุทธวัคเอกโตภาวาคตะปัญหาที่สองถามว่า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 และวนัตตังว่าสิ่งนี้เป็นรสเค็มติติกดตังว่าสิ่งนี้เป็นรสขมกตุกัตังว่าสิ่งนี้เป็น ร, รสเผ็ดกษายัตังวาสิ่งนี้เป็นรสฝาดมัุระตังว่าสิ่งนี้เป็นรสหวานก็ดีสมเด็จพระบรมบพิษพระราชสมภารจะชี้แจงออกได้หรือประการใดสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินเลิศกษัต ร, ริย์ว่า